ซึ่งคำว่าสุจริตในที่นี้หมายถึงสุจริตอย่างที่ใช้ในภาษาไทยคือมุ่งกายวาจาและอาชีวะสุจริตไม่รวมถึงมโนสุจริตซึ่งมโนสุจริตคลุมสมาธิฏฐิได้ด้วยบางท่านอาจมองในแง่จัดภายนอกเข้าไปตามนัยยะแห่งตรายสิกขาโดยถือเอาศีลเป็นที่เริ่มต้นแล้วกล่าวว่า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 จึงเรียกได้ว่าเขาเป็นผู้มีการศึกษาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการที่ฝึกปรือในไตรสิกขาเริ่มแต่ศีลไปก็เพื่อฟักบ่มให้องค์มรทั้งหลายเริ่มแต่สมาทิฏฐิเกิดขึ้นเมื่อใดองค์มรซึ่งมีสมาทิฏฐิเป็นตัวนำบังเกิดขึ้นในบุคคลจึงจะนับได้ว่าเขามีการศึกษา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 และความมุ่งหมายของศีลไม่ผิดพลาดกลายเป็นศิลปตฐาปรามารหรือถือปฏิบัติโดยงมงายเป็นต้นอีกด้วยเมื่อใดมีสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นจึงวางใจในการปฏิบัติศีลหรือไว้ใจในความสุจริตนั้นได้แต่ถ้ายังไม่มีสัมมาทิฏฐิตราบใดก็ยังไม่อาจวางใจในศีลตราบนั้น ถ้าแสดงความหมายอย่างผ่อน ล, ลงมาโดยถือเอาปัจจัยของสัมมาทิฏฐิเป็นหลักก็อาจกล่าวว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนเริ่มรู้จักคิดคือโยนิโสมนสิการความหมายอย่างนี้ก็นับได้ว่าถูกต้องด้วยเป็นการกล่าวแบบเล่งความถึงกันเพราะเมื่อมีโยนิโสมนสิการแล้วก็หวังได้ว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดตามมา ดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่การปฏิบัติประดับศีลเมื่อได้โยนิโสมนสิการช่วยนำพฤติกรรมจึงจะทำให้การปฏิบัติดำเนินไปอย่างถูกต้องพอดีและเป็นการกระทำอย่างมีเป้าหมายที่เกือ้อกูลเป็นประโยชน์ทั้งตนเองก็ได้ความเข้าใจมีความมั่นใจจิตเป็นกุศลโปร่งผ่องใส ย, ยกตัวอย่างเช่นในการแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อยนอกจากคํานึงถึงคุณค่าเพื่อชีวิต คือปกปิดและปกป้องร่างกายจากหนาวร้อนและความละอายเป็นต้นแล้วโยนิโสมนานสิการยังช่วยให้คำานึงในทางเกื้อกูลแก่ผู้อื่นและแก่สังคมอีกด้วยเช่นทำใจว่าเราจะแต่งตัวอย่างนี้ให้สะอาดเรียบร้อยอย่างนี้เพื่อความเป็นระเบียบดีงามของหมู่ของชุมชนหรือของสังคมเราหนุ่งห่มไม่ให้หน้าเกลียดหรือหน้ารังเกียจ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 ก็ยังหาชื่อว่าเป็นการศึกษาที่ถูกต้องไม่และน่าจะไม่สำเร็จผลสมความมุ่งหมายแม้แต่ที่จะให้เกิดสัมมาอาชีวะนั่นด้วยเพราะยังไม่เข้าถึงตัวการศึกษาอาจจะเป็นสัมมาอาชีวะแต่เพียงชื่อไม่ใช่สัมมาอาชีวะที่แท้เพราะเป็นการฝึกหัดศีลดยไม่ทำองค์มรคให้เกิดขึ้นจึงยังผิวเผินฉาบฉวยไม่ยังรากลง ทางที่ถูกจะต้องปลูกฝังสัมมาทิฏฐิไว้เป็นรากฐานของสัมมาอาชีวะด้วยพูดง่ายๆว่าจะให้ถือศีลโดยไม่มีความฝ่ายนิยมศีลหรือให้ประพฤติสุจริตโดยไม่มีค่านิยมแห่งความสุจริตย่อมไม่เพียงพอดังจะเห็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่มีอยู่ในสังคมบางถิ่นบางสมัยความฝ่ายนิยมทุจริตเป็นไปอย่างแพร่หลายถึงกับคนจานวนมากเห็นไปว่า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 กับรายสิกขาซึ่งมองดูได้ที่สมาทิฏฐิกับการฝึกอบรมศีลอันเป็นข้อแรกของหมวดธรรมะแต่ละฝ่ายในตอนต้นได้เคยกล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นปัจจัยกันระหว่างศีลกับสัมาทิฏฐิว่าเมื่ออยู่ร่วมกันด้วยดีโดยสงบเรียบร้อยใจก็ไม่ต้องคอยสะดุ้งหวาดระแวงเมื่อประพติดีมีศีล ก็ไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายใจทำให้จิตสงบเป็นสมาธิได้เมื่อใจสงบแนวแน่ผ่องใสก็ช่วยให้คิดคล่องมองเห็นอะไรอะไรชัดเจนไม่เอียนเอียงมีความเข้าใจดีเกิดปัญญาถ้าปัญญานั้นรู้ตระหนักมองเห็นคุณค่าของความประพฤติดีมีศีลก็เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูก เข้าใจถูกต้องก็คิดแล้วพูดทาประพฤติปฏิบัติถูกต้องเป็นศีลอีกตอนหนึ่งก็ได้กล่าวว่าการฝึกหัดศีลหรือฝึกอบรมความประพฤติจะชื่อว่าเป็นการศึกษาก็ต่อเมื่อสามารถทำให้เกิดสมาธิฐิอย่างน้อยตั้งแต่ขั้นทราบซึ้งในคุณค่าของศีลหรือมีค่านิยม แห่งความสุจริตขึ้นไปการฝึกอบรมความประพฤติที่จะให้มีผลเช่นนี้ได้กล่าวมาณที่นี้สองอย่างคือ 1. การฝึกศีลที่อาศัยความเคยชินและศรัทธาเป็นวิธีที่เน้นหนักในด้านระเบียบวินยัยได้แก่การจัดสรรสภาพแวดล้อมให้เป็นกรอบกำกับความประพฤติและจัดระเบียบความเป็นอยู่ เช่นกิจวัตรเป็นต้นให้กระชับฝึกคนปฏิบัติให้เกิดความคุ้นและเคยชินเป็นนิสัยพร้อมนั้นก็สร้างเสริมศรัทธาโดยให้กัลยาณมิตรเช่นครูแนะนำชักจูงให้เห็นว่าการประพฤติดีมีระเบียบ ว, วินัยเช่นนั้นมีประโยชน์คุณค่าหรืออานิสองอย่างไรและอาจให้ได้ยินได้เห็นบุคคลผู้มีความประพฤติดีงามน่าเริ่มใสศรัทธา ที่มีความสุขความสาเร็จเป็นแบบอย่างเช่นครูนั่นเองประกอบไปด้วยโดยวิธีนี้ความทราบซึ้งในคุณค่าของความประพฤติดีงามความรักวินยัยความใฝ่นิยมศีลก็เกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีกัลยาณมิตรคอยชี้แจงประโยชน์หรือได้เห็นแบบอย่างอะไรมากนักแต่ถ้าระเบียบ ว, วินยัยหรือกรอบความประพฤตินั้น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 ก็เข้าสู่ขั้นเป็นสัมมาทิฏฐินับได้ว่าเริ่มมีการศึกษาแม้ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิชนิดโลกีอย่างอ่อนเหลือเกินและมีสู้มั่นคงปลอดภัยนักต่อาจกลายเป็นการปฏิบัติด้วยความยึดมั่นงมงายเป็นสินลพตะประาปรมาตได้ก็ตาม